ใจกันแลกกันให้ใจฟังนะเพราะเรามายัางสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เป็นมูลคันทกุดีหมายถึงเป็นกุติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตารัสรู้แล้วพระองค์ก็เสด็จมายัางกรุงหลังจากโปรดจันปัญจวคีแล้ว มีสาวกเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็มายังกงรุงราชคลือเพราะที่นี่เป็นดินแดนที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระองค์ประดิษฐานขึ้นที่นี่อย่างมั่นคงเผยแผ่ออกไปในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยแคว้นมคตเนี่ยซึ่งมีกรุงราชคฤือเนี่ยเป็นเมืองหลวง เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่างที่เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าพระอริยเจ้าได้มาบรรลุธรรมที่นี่มากมายเริ่มตั้งแต่อักษสาวเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะอันที่จริงเราได้ยิน แต่ในแง่มุมว่าพระโมคคัลลานะนี่งกงงกแล้วพระพุทธเจ้านี่ที่จริงเพื่อนท่านอยู่แคว้นอื่นนะเสด็จมาด้วยอํานาจของฤทธทางใจความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ท่านจะเสด็จมาหาพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านรู้ว่าพระโมคคัลลา น, นี่นั่งงงงงอยู่ที่ธรรม เปรียบเสมือนว่าบุรุษคูแขนเข้ามาแล้วเนี่ยเหยียดแขนพับออกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาถึงพระโมคคัลลานะได้เลยหรือบุรุษเหยียดแขนออกไปอยู่แล้วบุรุษที่มีกำลังเลยนะคูแขนปั๊บเข้ามาเนี่ย พระ อ, องค์ก็มาปรากฏอยู่ที่หน้าพระโมคคลลานะแล้วแล้วก็ถามว่าโมคคลลานะเธองงงงหรือพระเจ้าข่าแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนสัญญาใดที่ทำให้เธอง่วงเหงาซึมเศร้าเธอจงทำความในใจซึ่งสัญญานั้นถ้าจะเปรียบเทียบหรืออธิบายก็หมายของว่าให้เราตั้งสติกกหรือ จดจ่อลงไปที่ความง่วงนั้นดูให้จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจิตก็จะตื่นตัวขึ้นมาก็คือแนวสติปัฏฐานศีนั่นแหละคือมีสติเข้าไปดูก่อนอดูตัวง่วงหน้าตาของตัวง่วงมันง่วงอยู่ตรงไหนนะหน้าตามันเป็นยังไงเราก็จะเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้สังเกตเนี่ยจิตเราก็จะตื่นขึ้นมาจิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่จมไปกับความง่วง ทีนี้ถ้าหาว่ามันยังง่วงอยู่ผู้เจ้าก็สอนต่อไปว่าให้สาธยายทำ <c oughs> หมายคือว่าพิจรารณารำหรือว่านึกถึงหัวข้อทำที่ทําให้จิตใจเนี่ยมันตื่นขึ้น <c oughs> ทำไหนที่มันทําให้จิตใจเราตื่นตัว <c oughs> อย่างเช่นเรานึกถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันรู้สึกฝังใจ มันทําให้เห็นว่าเนี่ยไอความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นจิตใจมันเป็นทุกข์มันทรมานถ้าหากว่าเราอยากค้นทุกข์ ไ, ไม่อยากให้มีทุกข์เกิดขึ้นในใจเราต้องทําจิตเราให้มีกําลังให้อยู่เหนือไอ้นิวรณ์ให้อยู่เนื อ, อ, น อ, น อ, เน อ, อ้สิ่งที่มันจะมากั้นใจเราอันนี้เรียกว่านึกนึกถึงธรรมที่ทําให้จิตเราตื่นขึ้นมาทีนี้นึกถึงธรรมแล้ว บางทีท่านบอกว่ามันก็ยังไม่หายง่วงพระพุทธเจ้าก็สอนให้สาธยายสมัยก่อนเนี่ยไอ้มนต่างๆที่เราเอามาท่องเนี่ยที่จริงมันเป็นแค่คำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่มาออกออกมาจากพระโอษ์ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเวลามาถึงเราแล้วมันเป็นภาษามคตเรามาท่องอยากให้จดจาก็กลายเป็นมนไปบางคนก็เลย ไปติดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องขังเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเป็นเรื่องของธรรมะอย่างถ้าหากว่าท่านสอนว่าอดีตตังนานวาเขเมยะเนี่ยที่เราสวดกันนับปฏิกังเขอานาคตตังก็หมายความว่าอาดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันเลยให้ใ ห, ให้มีสติให้จิตอยู่กับปัจจุบนันหรือมันไปทางอนาคตอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดถึงมัน ก็คือมันมีแค่อดีตแล้วก็อนาคตเท่านั้นแหละที่มันจะมาลุกวนจิตใจของเราตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าเราสํารวมจิตใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมันก็จะตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพยายามให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้รู้อยู่กับปัจจุบันแล้วคอยสังเกตว่าเออมันจะไปทางอดีตหรือไปทางอนาคตเท่านั้นถึงมันจะไป มันก็เป็นธรรมชาติของจิตว่าอ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้เองเราจะไปบังคับมันก็ไม่ได้จะไปให้มันอยู่ในอำนาจของเราไม่ได้เพราะจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดรุงแต่งอารมณ์ไหลไปกับอารมณ์เนี่ยเรามีหน้าที่รู้สร้างเหตุทาเหตุให้ถูกต้องนั่นก็คือให้รู้รู้แล้วก็ให้จิตอยู่กับปัจจุบันในขณะนี้เราก็จะได้ยินเสียงเนี่ย อันนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าที่จริงท่านก็สอนให้มีสติรักษาจิตนะได้ยินสัก์แต่ว่าได้ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราเข้าใจมันจะเป็นธรรมะไปหมดเลยนะเราก็มาสังเกตที่ใจเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจเราให้เราได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าเรามองดูเราก็จะรู้ว่าทุกคนที่มาอย่างที่นี่มาด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทุกคนก็อยากทําสิ่งที่ดีๆตามความเชื่อของตัวเองนะอย่างเมื่อตะ ก, กี้ที่สวดนั่นก็คือใช้สมาธิสวดนะให้จิตสงบนี่เรียกว่าสมะถะกรรมฐานนะถ้าว่าจิตยังไม่สงบเอาวิธีใดอุบายใดที่ทําให้จิตใจสงบ ก, ก็ทําได้เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเทียบกับ อออายก็อายเรื่องของความสงบภายในจิตใจสมาธิระดับนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาถกรรมฐานแต่ถ้าหาว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันรู้ความจริงก็จะเป็นปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่มาแล้วก็จิตเป็นกุศลนะอยากทําสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าเรียกวหรือว่าตามความเชื่อของตัวเองตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าจิตอยู่ระดับใดก็จะทําไปตามระดับนั้น ออบูชาศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็แสดงความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสไปตามความเห็นของตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยเราจะต้องพยายามให้จิตของเราอยู่กับตัวเราเพื่อให้จิตเนี่ยมีสมาธิมีความสงบมีความตั้งมัน่นเพื่อที่เราจะได้เข้ามารู้รู้ความจริง เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับกายเราเกี่ยวกับจิตเราทีนี้พระโมคคลลานะนี่หลังจากพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าเออให้สามารถข้ามพ้นความง่วงคือนิวรณ์หรือเครื่องกัน้นที่ทําให้จิตเนี่ยมันไม่เป็นสมาธิถ้าหาว่าจิตไม่เป็นสมาธิไม่ผ่านนิวรณ์ไปเนี่ยมันก็จะไอธรรมะก็จะไม่ชัดเจนปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาแล็กก็สอนด้วยพระ อ, องค์เอง แล้วก็ให้สาธยายสาธยายมนหรือสาธยายธรรมให้เสียงดังๆหรือดังในจิตนี่แหละให้มันตื่นขึ้นอันที่สี่ก็ทําจิตเนี่ยให้มันสว่างทําความรู้สึกว่ากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันอันที่ห้าก็ให้ถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวมองซ้ายมองขวา หมุนคอบ้างอะไรบ้างนี่คือวิธีแก้ไขทั้งนั้นเลยต่อมาให้ปันป่นหูปั่นหูลืมตาเอาน้ำล้างหน้าล้างตาเนี่ยอันที่เจ็ดถ้าหากว่าเออไอ้นั่งปฏิบัตินั่งแก้ไขแล้วมันไม่หายก็ให้ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมถ้าเอียบดเดินเนี่ยมันต้องควบคุมตัวเองให้เดินมันต้องใช้พลังกายด้วยมันก็อาจจะทาให้จืดขึ้นมาได้ ว่าเดินจุงกลมแล้วมันยังไม่ไหวอีกท่านจะสอนให้นอนแต่คําว่านอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายว่าให้นอนตื่นเดียวถ้าสีหาสายาดเดือดตั้งใจไว้เลยว่ารู้สึกตัวลุกขึ้นทันทีไม่ได้นอนแช่นี่แหละคือการที่พระพุทธเจ้าสอนให้สาวก ข, ของโหรทาความเพียรนะทาด้วยจิตใจจริงๆไม่ได้ทําด้วยความอ่อนแอไม่ได้ตามใจกิเลสตามความอยากความต้องการมีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวว่าให้จิตเนี่ย มีความตื่นตัวแล้วก็มารู้ตัวแล้วก็มาแจ้งชัดในเรื่องกายเรื่องจิตของตัวเองทีนี้พอแก้ง่วงได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปอีกเนี่ยบางบางทีไม่ได้พูดถึงที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลนะแล้วสามารถบรรลุเป็นพระหลานได้พอหายง่วงอะไรแล้วจิตเนี่ยมันตื่นตัวแล้วพระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกว่าเธอ จงละทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวมีต น, เ, นเวลาจะเข้าไปในบ้านไปบินทบาทถ้าหากว่าเธอมีความเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเธอก็อาจจะคาดหวังว่าอยาให้คนน้นคนนี้มาเอาเอาใจมาเอาใจใส่ถ้าเกิดว่า ชาวบ้านเนี่ยเขามีธุระมีการมีงานไม่มีใครมาสนใจเธอเธอก็จะเสียใจเธอก็จะไม่สบายใจใ ค, คิดว่าเอ๊ะมีใครหนอมาอยุแย่ให้ชาวบ้านเนี่ยแตกแยกกันไม่ให้รังเกียจเราไม่มาสนใจเราถ้าหาว่าเราน้อมเข้ามาเนี่ยใจเราเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งแบบนี้เหมือนกันหมายความว่ามันจะคอยคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เรื่อยอคือมันจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะมันมีตัวเราอะ่ะมันก็เลยคิด อ, อ, อยากจะให้คนนั้นมาสนใจเราอยากให้คนนี้มาเอาใจเราอย่าให้คนนั้นทําอย่างนั้น <canvas S 1> อย่าให้คนนี้ทําอย่างนี้อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นไปตามความรู้สึกของเราอย่ากให้เหตุการณ์เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเราไปตามความต้องการของเรานี่แหละคือที่มาแห่งทุกเนี่ยพระเจ้าเองก็สอนพระโมคคัลนะย้ําลงไปว่าเธออย่ามีทิฏว่ามีตัวเรามีของเรา เข้าไปในหมือว้านเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยพอเขาทำอะไรไปตามธรรมชาติของเขาเราจะไปตีความไปในทางที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้มีตัวมีตนขึ้นมาเนี่ยพโมคขละนาฟังแล้วสติของท่านเนี่ยยังเข้ามายังเข้ามาหาจิตเนี่มาอยู่กับจิตจิตที่มันที่มันมันอยู่ภายในด้วยความตั้งมั่นฟังธรรมก็เกิดความใจเข้าใจ เข้าใจมันมีความลึกซึ้ ง, งกระแสของธรรมของพระพุทธเจ้ามันมันเหมือนกับว่ามันมันไปสว่างอยู่ในจิตใจของท่านท่านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันเป็นสิ่งที่ที่เป็นสัจธรรมมันเป็นความจริง อ, อย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าไอเราเองก็เป็นทุกข์เพราะความเห็นของเรานี่แหละอยากให้มันอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แม้แต่ร่างกายเราเจ็บเราปวดป่วยไข้อะไรขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้หาย กลัวมันไม่หายนี่อ่าแล้วก็กลัวตายนี่กลัวตายแล้วกลัวพัดพลาดอ่ากลัวว่าเอ้ยแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงสามีเราอยู่ยังไงเนี่ยอ่าเงินทองข้าวของเรามันจะเป็นยังไงใครจะมาดูมาแรมคล้ายทุกไปหมดเลยนี่นะคือคือมันไปจากจิตของเราที่ที่เราเราไม่สามารถควบคุมจิตได้พระพุทธเจ้านี่สอนสอนพระโมคละลานะว่าให้ให้ละ ความเห็นความเห็นว่าตัวเราเราเป็นของเราเนี่ยคือพระองค์ชี้เข้าไปเข้าให้เข้าไปหาจิตเนี่ยสังเกตถ้าหาว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากจิตของเราเนี่ยที่มันไม่รู้ความจริงอ่ะมันมันมันมันไอไอสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างเราอยากให้มันเป็นอย่างหนึ่งนี่มันไม่ตรงกันแล้วเนี่ยคือธรรมชาติมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ใจเรามันอยากให้เป็นอย่างหนึ่งนี่เนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วธรรมชาติมันก็ไปตามธรรมชาติไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ใจเราเนี่ย เอาตัวตนเข้าไปแล้วก็อยากจะบังคับบัญชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะก่อเกิดเป็นกระแสะแห่งทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราทีนี้ถ้าเราห้ากว่าเราอยากจะดับทุกข์ภายในใจของเราเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจให้รู้ว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันนี้ร่างกายนี้เนี่ยร่างกายนี้เป็นธรรมชาติจริงๆเลยเห็นชัดเจนเล ย, เ, ยเราเรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ย มันจะย่อยอะไรของมันเองนะมันจะทาหน้าที่ของมันเองนะนะตอนนี้มีเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะถ้าหาว่าเราวางใจอ๋อเป็นธรรมดาได้ยินก็คือได้ยินไม่ได้ยินเราก็ทําใจของเราให้สบายเรามองลงที่ใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาเราไม่กังวหลหรอกนะเขาก็เหมือนเราเขาก็มุ่งหวังอยากทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เขารู้สึกอยากจะทาเราเองก็เหมือนกัน เราก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเรียว่าต่างต่างก็เป็นมีมีทำไปตามความรู้สึกของตัวเองที่ว่าดีที่สุดพอระวางใจได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันนี้ความทุกข์มันก็จะไม่เกเกิดขึ้น ก, กับใจของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกเรื่องความทุกข์มันต้องไปจากจิตใจของเราพอพระโมคคัละนะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพิจะะารณาแจ้ชัด เข้ามาในใจแล้วทําสติปัญญาของของท่านก็เกิดขึ้นก็คือว่าเข้ามาเห็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาจริงๆเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็จะดับไปเนี่ยที่จริงมันมันอยู่ตรงนี้เองนะที่จริงไงร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไปหลงยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยความเห็นผิดตรงเนี้ย ที่มันทําให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าหากว่าเราละความเห็นผิดอันนี้ได้เนี่ยอันภายในจิตใจเราก็จบตัวตนความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่มีนะร่างกายก็มีอยู่แต่มันเป็นธรรมชาติจิตใจก็มีอยู่แต่มันเป็นธรรมชาตินะเราเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องด้วยความบริสุทธิ์เกี่ยวข้องด้วยความรู้ความเข้าใจ ต่อมาพระภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรอีกสิบห้าวันต่อมาอีกเจ็ดวันต่อมาตอนนั้นพระโมคคัลลา น, นิเจ็ดวันแล้วบรรลุสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เป็นอากาศาวกเบื้องซ้ายภาษาลีบุตรนี่ต้องสิบห้าวันทีนี้วันที่สิบห้านะพระพุทธเจ้าลงไปที่ถ้าสุการขาตาที่จริงเราผ่านขึ้นมาเนี่ยมันจะมีถ้ำถ้ำหนึงเขาเรียก ว, ว่าถ้ำ สุการะขาตาเป็นถ้ำที่ภาษารีบุตรพักอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วภาษารีบุตรก็ถวายพัดเรกว่าพัดพระ พ, พุทธเจ้าในขณะนั้นดูเหมือนว่าญาติของภาษารีบุตรเนี่ยมามากราบพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมพระพุทธเจ้าแต่ไม่พอใจพระ พ, พุทธเจ้ามากที่ภาษารีบุตรนี่มาบวชดเงนั้นกับว่าไม่อยากให้ภาษารีบุตรเนี่ยมามาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้า นะก็เลยรังเกียจพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าพอมาถึงแล้วก็พูดด้วยความโกรธนะโกรธพระพุทธเจ้ามากนะว่าขา้าวข้าพเจ้านี่ไม่พอใจทั้งหมดเลยที่อยู่ในโลกเนะีนะ้สรุปนะหมายว่าใจความเนี่ยข้าพเจ้าไม่พอใจสิ่งใดเลยในโลกเนะี้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นนายน่าพอใจนะนะคือหมายว่าเขาพูดด้วยความโกรธนะพระเจ้า มีพระไทยที่สงบที่เยือกเย็ น, นพระพุยเาก็ตอบไปทันทีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องไม่ชอบใจความรู้สึกของเธอตรงนี้ด้วยนะ สวนกลับมาเลยย้อนสอนย้อนเข้ามาหาจิตเขาขณะนั้นเขากําลังโกรธรุนแรงมากนะโกรธเรื่องผู้เจ้าควบคุมไม่อยู่พูดออกไปว่าไม่พอใจไม่พอใจทุกอย่างในโลกพู้เจ้าก็บอกต้องไม่พอใจประโยคนี้ด้วยสิต้องไม่พอใจความรู้สึกนี้ด้วยสินี่คือตรงข้อขาหาจิตผู้พูดเลยขณะนั้นเนี่ยภาษารีบุตรฟังปักภาษาริบุตรนี่ปัญญาทันทะลุไปเลยมองเข้าไปถึงจิตเลยนะโอ้โหเนี่ยมันเป็นเพราะจิตเนี่ยเขาไปยึดเองทังทางเท่านั้นเองเนยไม่ได้มีอะไรเลยอะดูสิ ในขณะที่เรากำลังเพ่งออกไปข้างนอกอ่ะโอ้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล่กิจตัวให้นะไอตัวกที่มันกําลังพูดอยู่นั่นตัวกําลังคิดอยู่นั่นเนี่ยหรือบางทีแม้แต่ผู้ปฏิบัติทำนะปฏิบัติทำแล้วเบื่อเบื่อลูกเบื่อเมีเบื่อสามีเบื่อครอบครัวเบื่อการเบื่องานเบื่อที่สุดเลยแต่ลืมไม่ทิ้งความเบื่อตัวนั้นไม่ละความเบื่อตรงนั้นเนี่ยคือไม่ไม่ย้อนเข้ามาหาจิตมันไม่ทันจิตอ่ะเนี่ยไอจิตนี่มันเร็วอย่างเนี้ยในขณะที่มัน ในขณะที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะมีแรงดึงดูดนะผลักดันให้จิตของเราเนี่ยทายออกไปข้างนอกส่งออกไปข้างนอกเนะี่ยไปดูข้างนอกนะไปเพ่งเล็งข้างนอกนี่แหละที่จิตมันมันถูกหลอกนะถูกความหลงถูกไอ้วิชาเนี่ยมันหลอกเอาเราก็เลยไปเห็นแต่ว่าข้างนอกไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ แต่ตัวที่มันกําลังพูดอยู่ไอตัวจิตเนี่ยมันมันมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงนี่นี่คือพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สํารวมสติให้จิตเนี่ยอยู่ภายในกายเราภายในจิตเราเพื่อที่จะให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันยั่งเข้าไปยั่งเข้าไปให้ถึงจิตเข้าไปถึงต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นในใจเราธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันก็มีความหลงผิดอยู่อย่างที่พระเจ้าสอนนั่นแหละสอนพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันเนี่ย ถ้ามีความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอ่ ะ, อะเวลาเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยถ้าหากว่า ม, ม, มีมีเขามีการมีงานเขาไม่มาสนใจเดี๋ยวก็จะกังวลใจว่าเอ๊ะมีใครมายุแย่ให้เกิดความแตกแยกให้เขาเราเกลียบเราเขาจริงไม่มาสนใจเราเนี่ยหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็จะน้อมไปในทางว่าเอเอทำไมเขาไม่มาเอาใจใส่เราทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่ทาอย่างนี้ มันก็เป็นสัจธรรมอ่ะเราลองนึกดูสิเราลองทวนเข้ามาหาจิตเราสิทุกครั้งที่มันมีปัญหาในจิตเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็ต้องการอ่ะต้องการให้มันได้ใจเราให้มันตรงกับความรู้สึกของเรานี่แหละที่ท่านเรียก ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนก่อเกิดขึ้นมาความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา เ, เ, เ, เป็นของเราก่อเกิดขึ้นมาเนี่ ย, ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระองค์จึงจึงประทานคําสอนเอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้ดับทุกข์ภายในจิตใจ ถ้าจะดับทุกภายในจิตใจเนี่ย<ท>เราต้องเจริญสติเจริญสติให้จิตนี่อยู่ภายในตัวเราคือคือถ้าสติสัมปชัญญะเราดีอ่ะมันก็จะหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปที่แรกเอ่ะหยัง่งอย่างตอนแรกมันอาจจะอยู่กับลมก่อนอยู่กับกายก่อนเนี่ยพรามละเอียดมันหยาบเนี่ยก็ให้มันอยู่กับตัวเราก่อ น, นทีนี้ถ้าหาว่าสติสัมปชัญญะมีกําลังขึ้นแทนที่มันจะมาดูลมดูกายมันก็จะเข้ามาดูจิตเออจิตรู้สึกสงบจิตนิ่งจิตสบายเอ่ จิตปลอดโปรง่งจิตเป็นปกติจิตไม่ยินดีจิตไม่ยินร้ายเนี่ยหรืออะไรเกิดขึ้นกับจิตก็จะเห็นว่า อ, อาการนี้เกิดขึ้นกับจิตเราแล้วเนี่ยความคิดเกิดขึ้นแล้วความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นแล้วความลื่นลอยเกิดขึ้นแล้วเห่อไปเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆรู้อย่างเงี้ยเนี่ยคือนี่คือมันมันเข้าหาจิตเนี่ยแล้วนั่งไปนานเอาเวทนาก็เกิดขึ้นเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้อ่าถ้าหากว่าเราไม่สำรวมจิตใจเนี่ยใจมันจะซัดสายทันทีเลย นั่นก็คือจิตมันออกไปออกไปเกาะเกี่ยวไปยึดเหนี่ยวว่าร่างกายเป็นของเรามันไม่อยากเจ็บมันไม่อยากปวดมันอยากเอาความสบายเนี่ยแต่ถ้าหาว่าเราอยากฝึกเราก็ลองสู้ดูฝืนดูบ้างเออให้จิตใจมีกําลังขึ้นมาแล้วอีกอย่างให้จิตใจเรารู้ความจริงบ้างว่าไอ้ความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะพอเรานั่งนานไอ้เลื่อนลมวิ่งไม่สะดวกไอธ้ธาตุขันต่างๆเนี่ยมันมีความวนแปลมีความวิกลวิกา มันก็มีเวทนาเกิดขึ้นอ่ะถ้าหากว่าเราพยายามทําใจของเราเนี่ยให้ยอมรับตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตชนิดหนึ่งว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาจริงๆเลยน ะ, ะเรานั่งนานมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหล ะ, ะทีนี้เราจะเอาอยัางไงอ่ ะ, อะถ้าหากว่าเราเราเรามันวิกลวิการจริงนะเราเจ็บป่วยจริงเราก็นุ่โลมได้เออเอาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่ว่ารักษาจิตเอาไว้เพราะเราฝึกจิตเราแต่ถ้าหากว่าเราอยากอดทนดูสิ มันขนาดไหนเราอยากให้จิตเราเข้มแข็งเนี่ยเราก็เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของเราถ้าหาว่าจิตเรามีกําลังขึ้นมาเนี่ยธรรมะของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราเวทนาเนี่ยเป็นศักท์ว่าเวทนามันอยู่ของมันตามธรรมชาติมันเกิดของมันตามธรรมชาติมันอยู่ที่ร่างกายจิตใจนี่จะเป็นผู้รู้มันจะรู้แจ้งขึ้นที่ใจว่าอ้าเวทนานี่มันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นนี่นะให้จิตนี่ไปยึดเขาทําไมอ่ะเนี่ยจิตมันก็จะหดตัวมันจะถอยตัวกลับมาหาตัวเองมาเป็นอิสระอยู่ที่ใจ เนี่ยความทุกข์ระดับต่างๆเนี่ยมันจะต้องดับไปให้หมดดับไปจนหมดจากใจเราแน่ๆถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นทางดําเนินของทุกคนเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติจิตของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ ย, ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันจริงน่าอัศาจรรย์มากคนอื่นสอนให้ดูไปข้างนอกทำโน่นทํานี่ทํานั่นทนํานี่แต่พระพุทธเจ้าสอนเข้ามาหาจิตตัวเอง สอนเขามารู้เรื่องภายในตัวเองรู้เรื่องตัวเองชัดแจ้งจนถึงที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อไหร่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นของเรา <c oughs> ก็จะหมดสิ้นไปแม้แต่มีคนโกรธพระพุทธเจ้าไม่พอใจเนี่ยพูดด้วยความโกรธไม่พอใจทุกอย่างในโลกเนี้ไม่มีอะไรน่าพอใจเลยน่ายินดีเลยเนี่ยพระพุทธเจ้านิ่งเนี่ยพระทยสงบแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจแล้วไม่มีอะไรมาทําให้ล้าคายเกลือน ไม่ไม่มีอะไรมาเสียดแทงถ้าคําว่าคนทั่วไปเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีอะไรปั๊บมันจะโกรธตอบแทนไปแล้วเคืองไปแล้วนี่คือจิตไหลออกไปแล้วส่งออกไปข้างนอกแล้วไม่สามารถทวนเข้ามาหาจิตของตัวเองได้แต่พระพุทธเจ้าพระไทยของพระองค์สะอาบริสุทธิ์สงบนิ่งว่างเปล่ารู้ทันทีเลยว่าเนี่ยไอไ อ, ไอประโยคหรือความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นในจิตของเขา่เขาควรจะละแต่เขาเข้าไม่ถึงเขาล่าไม่เป็น ละไม่ได้ในขณะนั้นมันออกข้างนอกหมดไอ้เรื่องราวข้างนอกมันกบเกลือนเนี่ยมันกุ้มลุมเนี่ยเข้าไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าเข้าถึงอพอไม่งั้นมันถ้าอย่างนั้นเธอต้องละความรู้สึกตรงนี้ด้วยซี่ไอความเห็นที่ ว, ว่าไม่มีอะไรเลยนะ่ายินดีเนี่ยไอประโยคเนี้ไอความเห็นตรงเนี้ยเธอต้องละได้ด้วยภาษารีบุตอ่ะปัญญาท่านถึงแล้วสว่างกระจาแจ้งขึ้นในจิตใจอ๋อจริงจริงมันไม่มีอะไรเลยอ่ มันไปจากผิดเท่านั้นเองท่านก็สามารถละความเห็นผิดได้ทั้งปวงท่านสามารถบรรลุธรรมได้ที่ธรำสุกะละขาตาเนี่ยอาศัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาบำเพ็ญสมณกิจอยู่ที่นี่ได้มาประทับอยู่ที่นี่ในเมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก เพราะนั้นที่นี่จึงเป็นที่สําคัญให้เราทําความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้มาเฝ้าพระองค์ได้มาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับเลยถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยเกิดความสงบมีสติควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับพระองค์มากบางครั้งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้ปรินิพานไปเลยเหมือนกับว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย มันอยู่ที่ใจของเราได้จริงๆคุณของพระธรรมคําสอนของพระองค์อะ่ะมันเข้ามาอยู่ในใจเราได้จริงๆคุณของพระอริยสงฆ์ก็มาอยู่ที่ใจเราได้จริงๆในเมื่อเราฝึกจิตใจตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนะี่ยต่อไปเรานี่แหละก็คือพระสงค์ก็เพราะว่าประสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติตามจนรู้ตามและก็เห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเปลี่ยนจากสงฆ์ธรรมดาก็เป็นพระอริยสงฆ์ เพราะนั้นสงสารวกของพระพุทธเจ้าในความหมายของพระพเจ้าก็มีสี่คู่เนี่ยก็คือพระญาสงนี่นแหละตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปไม่ได้มีความไม่ได้หมายความว่าเฉพาะพร ะ, ะที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองออแต่ว่าหมายถึงทุกๆคนที่สามารถฝึกจิตใจตัวเองได้ปฏิบัติจิตของตัวเองได้จนจิตเมียหยั่งเข้าไปถึงความจริงได้เนี่ย เมื่อจิตยังเข้าไปถึงความจริงได้รู้ตามพระพุทธเจ้าหมดจดเนี่ยแล้วจิตใจก็จะเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนจากผู้ทุชนธรรมดาเนี่ยเป็นพระพระอริยเจ้าได้เป็นพระโสดาบันบุคคลก็ได้เป็นพระเสกีทาคามีบุคคลก็ได้เป็นพระอนาคามีบุคคลก็ได้เป็นพระอรหันต บ, บุคคลก็ได้ด้วยนี่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราเท่านั้นเองเทีนี้เราต้องแน่ใจว่าการปฏิบัติของเราเนี่ย มันตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่ไม่ลังเลนะแล้วความศรัทธาเรื่อมใสเนี่ยเรามาที่นี่เราจะเห็นที่อินเดียเนี่ยความศรัทธาเลื่อมใสมีหลายรูปหลายแบบเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าอยู่ในพิธีอยู่ในการกระทําภายนอกนะมันยังไม่เข้าไปถึงจิตใจนะีคือก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเออมันยังอยู่ในระดับเนะี่ยที่เขาแสดงออกมานั่นนะยังยังถ้าหาว่าเออกราบไหว้เนี่ยเขาก็คิดว่ากราบไหว้มี มันมันมันเป็นบุญเป็นกุศลก็พอใจที่จะกราบไหว้กราบไหว้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จะไปเกิดในที่ดีหรือไปเกิดกับพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเนี้ยซึ่งอันนั้นมันมันไม่ตรงกับคําสอนของพระเจ้าไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าเสียทีเดียวเพราะพระเจ้ามุ่งตรงเข้ามาหาจิตเนี่ยเพื่อชําระจิตของเราเนี่ยให้จิตเนี่ยมันมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นว่าเออถ้าหาว่าจิตมันสงบลงไปมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆมันเห็นจริงๆริไอ้ร่างกายเนี่ยมันจะอยู่แยก กันระหว่างจิตหรือเราสงบระดับหนึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วอออพอที่จะชัดขึ้นมาในจิตใจบ้างแล้วว่าอ๋อล่างกายกับจิตใจเป็นคนละส่วนนี่ก็คือเป็นยาปัญญาส่วนหนึ่งก็เหมือนเหมือนกันแต่พลังของปัญญาเนี่ยมันยังไม่มากพอเขาเรียกปัญญินทรีย์หรืออินรีย์ของเราทั้งหมดมันยังไม่แก่กล้าพอมันก็ยังสรุปธรรมะทั้งหมดลงที่ใจเรายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะพอใจที่จะทําเหตุอย่างที่พระเจ้าสอน ส่วนผลนั่น เ, ออเป็นยังไงก็เป็นหน้าที่ของสภาวธรรมถ้าจิตนี่มันหยัง่งเข้ามามันก็เห็นร่างกายมันก็อยู่มันว่อยู่ตามธรรมชาติของมันเวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดกับร่างกายพอจิตเราไม่ไปยึดไม่ไุ่มหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะรู้สึกเบิกบานขึ้นมาทันทีจิตจะรู้สึกเป็นอิสระขึ้นมาทันทีถ้าหาว่าเป็นอิสระได้มันจะเบาที่สุดสบายที่สุดโล่งโปร่งที่สุด นี่คือความที่ไม่หลงยึดว่าปีมีตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันเบามันสบายแค่เรารู้แค่นี้โอ้เรายังเบิกบานได้ขนาดนี้ยังโปร่งลงเบาสบายขนาดนี้ถ้าเกิดเราหยั่งลงไปมากกว่าเนี้มันชัดเจนมากกว่านี้จนกระทั่งความเห็นผิดนี้มันดับไปเนี่ยนั่นแหละคือที่สุดที่สุดแห่งทุกหรือบรมสุขคือความไม่มีทุกที่จะมาเสียดแทงกัมกายเข้ามาในจิตใจเราได้เลยนี่คือคือถึงที่สุดแห่งทุกหรือว่าบรมสุขเี่ย ก็อยู่ที่จิตของเราเนี่ยเพราะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องตรงเข้ามาหาจิตจริงๆเนี่ยต้องรักษาจิตไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้อ่อาาไม่ได้มุ่งว่าไม่ทำอะไรเลยน ะ, ะบางคนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่าเออต้องไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราอยู่ในฐานะเป็นฆราวาสญาณโยมเนี่ยเนะี่ยฐานะของเรามีหน้าที่ควรทำอะไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาใจไปด้วยมีเรียกว่าปฏิบัติธรรมไปด้วยท่านถึงเรียกเรียกเรียกการพระธรรมคําสอนของพระองค์ว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เวลาตัดกระสาวกของพระองค์ก็ให้ไปประกาศพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่หมายถึงการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐอะทำให้ชีวิตธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละที่มันมีแต่ความหลงผิดมีแต่ความลุ่มหลงมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ทรมานเนี่ยให้มันเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมา มันเป็นชีวิตประเสริฐคือยังไงอ่ะก็คือว่าให้เรามีสตินี่แหละนะอยู่กับตัวเราเนี่ยเวลาทำอะไรอยู่ก็มีสติควบคุมจิตเราให้ได้ทีแรกมันก็ยังยังควบคุมไม่อยู่หละ่ะเพราะจิตมันเร็วแต่ถ้าเราพยาพยามไปพยายามไปพยายามไปจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยพอสติของเราดีขึ้นรู้เท่าทันจิตใจของเราเราสามารถควบคุมจิตใจได้ เราจะรู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตของเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนี่พระ อ, องค์จึงเรียกว่าทรงประพฤติพรหมจาร ย, ย์ในสมัยที่พระ อ, องค์ยังอ ไ, อ ไ, อ ไ, อ ไ, อไอ้ที่ดัสรู้ใหม่ๆอะ่ะที่เสด็จไปโปรดปัญจวคีทั้ง5้าเนี่ย หลังจากที่ได้สาวกครบ60องค์แล้วพระ อ, องค์ก็ตัดเลยบอกว่าเอาพวกเราให้แยกกันไปประกาศพรหมจรรย์นนะจะมีเราเวนยศัสตร์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยคือมีปัญญาพอจะรองรับเอาธรรมของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติได้ถ้าเราไม่ไปช่วยเนี่ยก็จะทําลายโอกาสเวนยศัสตร์เหล่านี้แล้วก็ให้ไปทางเดียวก็ให้ไปองค์เดียว น, นะเนี่ยอย่าไปซ้ํากัน2องอ ง, องอเพราะว่ามันมันจะได้เผยแพรธรรมะได้กว้างขวางให้ให้ประโยชน์มาก แม้เราตถาคตจะไปองค์เดียวเหมือนกันพระองค์ก็เสด็จแยกไปที่ว่าไปโกรดอุรุเวลเวรักสาป่าเนี่ยนี่แหละคือพระไทยที่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าเอาละ่ะเป็นอันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเป็นที่เผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับอยู่ที่นี่กุฏิหลังนี้น เรามายังถึงที่ประทับแล้วเราก็สัมรวมจิตใจหนึ่งก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยตรงการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอันนี้เป็นคําพูดของพระเจ้าเองเลยนะในเมื่อเราเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยเราเปรียบเทียบกับการบูชาอย่างอื่นแล้วในเมื่อพระเจ้ายืนยันว่านเนี่ยปฏิบัติ บ, บูชาเนี่ยเป็นการบูชาอย่างแท้จริงเนี่ยวันนี้เราก็เอากายเอาใจเรามาปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาที่สูงที่สุดแล้วที่ว่าตัดกับพับวัการีวัคพระวัการีก็เหมือนกันนะที่ว่าตามอาพอใจใ น, ในในในในรูปพันธสถานของพระเจ้าศรีระของพระเจ้าสวยงามน่าเลื่อมใสมากนะเห็นก็ติดใจนะเหมือนเราเห็นอะไรเนี่ยถ้ามันเกิดตรงกับความรู้สึกของเราก็พอใจยินดีนะเพลินอยู่กับ เ, เรื่องข้างนอกอยู่กับรูปนะอยู่กับวัตถุแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย พระ อ, องค์มีภระสติปัญญามากมีพยานพระ อ, องค์ก็รอให้เขาอินทรีย์แก่กล้าก่อนไม่ได้ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลมีเป้าหมายเพื่อช่วยสาวกของพระ อ, องค์เท่านั้นเองรอเวลาจนกระทั่งเห็นว่าภวกกะลเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วพร้อมที่จะรับธรรมของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็พูดด้วยคําพูดที่รุนแรงได้ ว, ว่าดุก็ว่าได้ด่าก็ว่าได้วกกลิจะมีประโยชน์อะไร กับร่างกายของเราที่เปื่อยเน่านี้เธอจะมาหลงอยู่อะไรกับไอของเปื่อยหน่าเปื่อยเปื่อยเน่านี้ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปพระวกรีได้ยินอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกน้อยใจนี่น้อยใจน้อยใจมากคือแทนที่จะจะเข้าใจพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นการสอนของพรุทธเจ้าเป็นการพระเมตตาของพรุทธเจ้ามันจะคิดไปอีกด้านหนึ่งนี่เวลาเราเป็นทุกข์มันก็คล้ายๆกันนะมันจะคิดไปอีกด้านหนึ่งคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะไอแง่มุมที่มันจะทําให้ตัวเองเป็นสุขแหะไม่คิดคิดไม่ได้คิดไม่เป็น คิดไม่ออกแต่ ง, ง่ายมุมที่จะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มันคิดได้ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีมีพระทัยบริสุทธิ์มากมีพระเมตตาสูงมากมีความปรารถนาดีมีพระประสงค์อยากให้พระวักกะลีเนี่ยได้สติคืนมาแล้วก็ให้ให้ปล่อยวางไอการมายึดมั่นถือมั่นในร่างกายของพระองค์เพื่อที่จะให้ประพฤติปฏิบัติธรรมบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราแต่ธาตบุคคลได้เห็นเร า, าต่ธาตก็คือต้องเห็นธรรมไม่ใช่มามาหลงอะไรูป ก, กายอันนี้ พอคนนี้น้อยใจก็จะไปฆ่าตัวตายออย่างอย่างที่เราได้ยินอ่ะที่บรรยายกันว่าเออไปฆ่าตัวตายขณะที่เดินไปเนี่ยจิตก็ลำพึงลำพันไปด้วยนะโอ้พระพุทธเจ้าไม่เมตตาเราแล้วพระเจ้าโกรธเราแล้วพระเจ้าไล่เราแล้วพระเจ้าตําหนิเราแล้วเนี่ยใจก็ยิ่งเศร้าหมองอยิ่งน้อยใจเนี่ยตัดสินใจว่าเออเราจะมีชีวิตอยู่ทําไมอ่ะอย่างนี้ต้องตายเนี่ยนี่แหละคนจะฆ่าตัวตายเป็นอย่างนี้นะใจมันน้อยใจ ไม่ได้ดังใจไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยอารมณ์ที่มันน้อยใจเนี่ยมันก็ปุงแต่งไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตนมันก็ก่อเกิดขึ้นมาไ อ, ไอตัวตนชนิดน้อยใจนั้นอนะความน้อยใจนั้นอนะก็มีน้ำหนักรุนแรงบีบคั้นจิตใจกุ้มลุมจิตใจนะทับถมจิตใจเนี่ยสลัดก็ไม่ออกกําลังปัญญาของตัวเองสลัดไม่ออกเนี่ยต้องฆ่าตัวตายอย่างเดียวนี่นี่นี่อารมณ์ของเราเนี่ยคิดดูใชเป็นแค่อารมณ์นะเป็นแค่ความรู้สึก แต่มันสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนเราได้ถ้าหาว่าเราเคยเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่านั่นแหละเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่ความรู้สึกที่มันบีบคั้นจิตใจแล้วไอเราเนี่ยกําลังสติกําลังปัญญาของเราอินทรีย์ของเราไม่พอที่จะสลัดมันออกอะ่ะมันก็เลยเป็นจริงเป็นจังไปตามมันอ่ะไปหลงไปตามมันไมะแม้แต่เพราะว่ากระลี่อ่ะดูซิมาบวชกับผู้เจ้ามาอยู่ผู้เจ้าแล้วพอถูกผู้เจ้าตําหนิหน่อยดุหน่อยอผู้เจ้าไม่เมตตาเราแล้วพอจู่ผู้เจ้าไล่เราแล้ว พอผู้เจ้าดูเราแล้วด่าเราแล้วว่าเราแล้วเนี่ยเพราะอย่างนี้เราไปฆ่าตัวตายดีกว่านู่นตรงไปเลยตรงไปหน้าผาเลยพูเจ้าก็รอเวลารอเวลาเนะี่ยพอผเจ้าทรงพยานยังรู้นี่นะสัมมาสัมโพธิญาณพอพระวรกาิเตรียมตัวจะฆ่าตัวตายพูเจ้าก็เป็นฉัพพานังสีเสด็จไปที่นั่นเนี่ยแล้วก็มาเถิดวรกาิเราจะยกเธอขึ้นเนี่ย เหมือนความช้างยกช้างขึ้นจากหลมฉะนั้นโอ้เพราะว่ากาักนลิขณนั้นแค่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจมันก็ปิติปามุทข์ขึ้นมาแล้วลืมไปหมดเลยที่ว่าพระพุทธเจ้าไล่พระพุทธเจ้าดุลืมไปหมดเล ย, พ เ, พ เ, ล เ, ลยเพราะว่าความศรัทธามันแรงกล้าเนี่ยอาศัยพลังแห่งศรัทธาแรงกล้ามากพอเห็นพระพุทธเจ้าปับ๊บเนี่ยใจมันก็อุ่นใจขึ้นมาแล้วสบายใจขึ้นมาแล้วยิ่งได้ยินคําพูดของพระพุทธเจ้าที่ปลอบโยนด้วยคําพูดที่อ่อนโยน ด้วยคําพูดที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามาเถิดวัคคาริเราจะยกเธอขึ้นเหมือนควานช้างที่กําลังจะยกช้างขึ้นจากหลม่มเนี่ยธรรมชาติของช้างพระมันติดหล่มแล้วมันช่วยตัวเองไม่ได้ควานช้างก็ต้องพยายามยกช้างขึ้นในขณะนั้นจิตพระวัคคริเนี่ยมันจมดิ่งลงไปด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจด้วยความเศร้าหมองอถูกความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยมันบีบคั้นมันกดท่วง เรียกว่าจมดิ่งลงไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะยกขึ้นแล้วน่ะมาเถิดวักกะลีเราจะยกเถอขึ้นก็คือยกจิตใจน่ะขึ้นมาขณะนั้นเพระาะวักกะลีฟังแล้วเนี่ยโอ้โหจิตใจมันปรีติเบิกบานเนี่ยแล้วพระเจ้าก็สอนธรรมะเพระาะวักกะลีก็จิตก็ยั่งเข้าไปดิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็แจ้งชัดตามความเป็นจริงอ่ะอมันก็ต้องเห็นจริงไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่แล้วจิตใจที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลง เห็นความเกิดดับเนี่ยของรูปนามของอารมณ์ต่างๆโอที่มันบีบคั้นเป็นทุกข์แล้วก็มันเกิดความสุขความสบายขึ้นมาอ่ามันเปลี่ยนอย่างกระทันหันเนี่ยมันก็เห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างนาเนี้ยว่าโอ้โหเนี่ยพวกนี้มันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเนี่ยเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงอะ่ะเนี่ยธรรมของเจ้านี่ต้องอาศัยการเจริญสติแล้วต้องเข้ามาอยู่ภายในให้สตินี่ควบคุมจิตให้อยู่ภายในไม่ให้มันส่งนอกไม่ไหลไปข้างนอก ตอานั้นทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอสติควบคุมจิตได้เนี่ยไอสติสั้นปัจฉญญาของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังมีสติเนี่ยสติก็คือพละเป็นพลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก็เป็นพลังศรัทธาเป็นพลังวิริยะเป็นพลังนี่มันรวมเข้ามาในจิตเราหมดเลยเป็นจิตที่มีคุณสมบัติที่สามารถรู้แจ้งรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้ จะเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แก็ได้สมาธิฏิมันเกิดขึ้นนะีก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่นะนีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นนะีก็คือความคิดที่จะไปยึดนู่นยึดนี่มันก็ไม่มีนะความยึดความไปติดไปคล้องไอ้ข้างนอกไม่มีมีอย่างเดียวว่าต้องจิตใจต้องเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเนะี่ยมันก็จะมาอยู่กับจิตอ่นะสัมมาวาจาสัมมากำโตสมาชีวก็คือสติควบคุมจิตเอาไว้ได้ที่จะไปล่วงเกินคนอื่นที่จะไปทําอะไรที่มันไม่ดี ทุจริตทางกายทางคำพูดอะไรมันก็ไม่มีเนี่ยมันมันก็จะเป็นเรื่องของจิตหมดอะสัมมาสติกก็มีสัมมาวายโมมีสัมมาสมาธิมีเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบเข้ามาในจิตของเราถ้าถ้าหากว่าอริยมรรคมรรคตรงนี้มันบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะตัดสินลงไปทันทีเลยคือมันมีพลังมันมีความมันมันมีความกล้ามันเหมือนมันเหมือนมีดคมะกาลังของคน ที่มีกำลังเต็มที่มีดก็คมสามารถตัดต้นไม้ให้ขาดไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาที่มันอาศัยกำลังของสติสมาธิอ่าไอ้พวกนี้มาเกื้อนหนุนเนี่ยมันก็สามารถประหารกิเลสประหารความหลงผิดออกไปจา ก, กจิตใจของเราได้เป็นขั้นเป็นตอน เอาอย่างน้อยเราถ้าหาว่าเราได้เห็นบ้างโอ้บางทีอารมณ์ที่มันมาเนี่ยนะอย่างอย่างเร า, ารการเดินทางของเราก็เหมือนกันนะบางทีมันก็ต้องกระทบอารมณ์บ้างเห็น น, หนู่นเห็นนี่บ้างแต่ถ้าหาว่าเราสัมรวมจิตใจเนี่ยเราจะได้ประโยชน์พอเห็นพวกนี้มันเกิดเห็นพวกนี้มันดับไปคือพอเรารักษาจิตใจได้อ๋อที่แท้จริงมันก็ไปจากจิตใจเราเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ต้นๆนี่แหละตั้งแต่ตอนต้นๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ค่อยๆแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเมื่อไหร่เนี่ยจิตใจเปลี่ยนแปลงทันทีเลยถ้าหากว่าเราอยากจะถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ตัดกับพระวักเลีย่ยว่าบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตนะไม่ใช่ว่าจะมาเฝ้าร่างกายอยู่ถึงเรามาที่นี่ก็เหมือนกันเรามาเพื่อหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะทําให้จิตใจเรามีกําลังคล้ายๆมาเห็นของจริงว่าโอ้ พระพุทธเจ้ามีอยู่จริงนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะเนี่ยเป็นที่แสดงธรรมของพระเจ้าเป็นที่เผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ทําให้คําสอนของพระองค์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลออกไปเรามายังที่ประทับที่สําคัญที่สุดนีในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เราก็ได้ได้อันเนี้ยเป็นอนุสอนที่จะทําให้จิตใจใเรามีกําลังมีพลังอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาดีที่จะทํา ความดีความงามเพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นให้สมกับที่พระองค์เรียกว่าคําสอนของพระองค์ว่าเป็นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เป็นประการประกาศพรหมจรรย์นี่ยหมายความว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ เ, เมื่อเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันประเสริฐขึ้นมันสูงส่งขึ้นมันดีงามขึ้นมันงดงามขึ้น หรือว่าจนกระทั่งมันไม่มีความหลงผิดมันพ้นจากทุกในวัฏฏสงสารเนี่ยชื่อว่าการมาของเรานี่มีคุณค่าอย่างมหาศาลหรือว่าอย่างน้อยเรามาตั้งใจตั้งใจว่าเออจากนี้ไปเราจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปรารถนาที่จะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระเลยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพ้นจากทุกในวัฏฏสงสารด้วย เนี่ยถ้าหากว่าเราอาศัยมายัางสถานที่แห่งนี้อนุสรนถึงพระองค์ล้ำลึกถึงพระองค์แล้วก็ตั้งสัจจะหรือปณิธานให้มันแรงกล้าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะตัดสืบเป็นพระพุทธเจ้าในปณิธานของท่านแรงกล้าท่านยิงสามารถสละชีวิตเนี่ยททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเหล่าเวนยสัตว์อย่างแท้จริง ถ้าหากว่าเรามายัางสถานที่นี้แล้วมีความดีต่างๆมันเกิดขึ้นแก่ชีวิตเราแก่จิตใจของเรามันก็คุ้มค่าแล้วที่เราได้เดินทางมาเพราะนั้นช่วงนี้ให้เราสํำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พี่นาไข้ควรทำของพระพุทธเจ้าด้วยตัวเราเองจะหยุดการบรรยายแค่นี้นะแล้วก็ให้นั่งปฏิบัติตอนะตอนนี้อากาศยังดีนะสดชื่นแจ่มใสให้เราใช้เวลา นี่ให้มีประโยชน์แก่จิตใจเราให้มาที่สุด